ถึงวิมุตสุขเต็มสุดแล้วจะเลือกสุขอย่างไหนก็ได้ทำไมมองลงมาไม่ถึงกามาสุขบางคนเป็นห่วงการมาสุกกลัวว่าถ้าไปนิพพานเสแล้วเขาจะไม่ได้เสวยกามาสุขอาจบอกเขาได้ว่าอย่า ก, กลัวเลยถ้าท่านไปทางนิพพานท่านจะได้รู้จักความสุขมากอย่างยิ่งขึ้น มีความสุขที่ดีกว่าเยี่ยมกว่าอีกด้วยท่านจะมีความสุขให้เลือกเสพได้มากขึ้นและเมื่อถึงเวลานั้นถ้าท่านยังอยากเสพการมาสุขท่านก็เสพได้และจะเสพได้ดียิ่งกว่าเดี๋ยวนี้เพราะจะไม่มีอะไรรบกวนให้เสียรสเลยเมื่อว่าอย่างนี้บางคนอาจค้านขึ้นโดยเป็นห่วงในทางตรงข้ามว่าจะให้คนบรรลุนิพพานแล้วเสพกรมสุขได้อย่างไรกัน พึ่งตอบว่าเรื่องอย่างนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเป็นไปเองไม่ต้องไปกังวลคนที่ถึงนิพพานแล้วเป็นผู้มีสิทธิและเป็นผู้พร้อมดีที่สุดที่จะเสวยความสุขได้ทุกอย่างการที่เขาจะเสพความสุขอย่างใดหรือไม่เสพก็เป็นเรื่องสุดแต่ความพอใจของเขาเองแต่ทีนี้ธรรมดาปรากฏเป็นของมันเองว่าผู้ที่บรรลุนิพพานแล้ว ไม่เสพกามาสุขที่เขาไม่เสพไม่ใช่เพราะเขาเสพไม่ได้แต่เป็นเพราะเขาไม่นึกอยากจะเสพคือกิเลสที่เป็นเหตุให้อยากเสพไม่มีเขาได้ประสบสิ่งอื่นที่ดีกว่าจนไม่เห็นกามาคุณนั้นมีคุณค่าที่เขาจะเกี่ยวข้องเสพเสวยเสีแล้วเรื่องนี้ก็คล้าย ก, กันกับความคิดที่ว่าพระอรหันต์มารุญาณทัศนะมองเห็นตามเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตา ไม่มีตัวตนคนเป็นเพียงส่วนประกอบต่างๆมีธาตุสี่เป็นต้นมาประชุมกันเข้าไม่มีนายกนางขอเป็นต้นเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็คงฆ่าคนได้ไม่บาปแต่ความจริงเมื่อมองเห็นอนัตตาเช่นนั้นกิเลสคือโทสะที่จะเป็นเหตุให้ทำการฆ่าก็หมดไปเสิแล้วการฆ่าก็เลยไม่มีทางที่จะเกิดมีขึ้นมาได้ ความเป็นจริงในเรื่องนี้ปรากฏว่าผู้ได้นิพพานสุขแล้วจะเสวยความสุขลงมาถึงชั้นชานสุขดังที่กล่าวว่าใช้ชาสีเป็นทิฏธรรมสุขวิหารคือเป็นเครื่องพักผ่อนอยู่สบายในปัจจุบันเรื่องผู้บรร ล, ลุนิพพานไม่เสพโลกามิตรไม่แสวงกรมมาสุขนี้เปรียบอย่างหนึ่งเหมือนคนเคยอยู่ในที่คุมขังเขาได้อาศัยบางสิ่งบางอย่างในที่นั้น ช่วยทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเสมือนกลบหรือทำให้ลืมความคับแคบอึดอัดไปได้บ้างต่อมาเมื่อมีโอกาสหลุดออกไปจากสถานที่นั้นบางคนอาจติดใจสิ่งที่เคยให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินจนไม่ยอมออกไปบางคนภาวะพวังลังเลอยู่แต่คนที่ได้รู้จักอิสระภาพอย่างแท้จริงแล้วจะค่อยๆตัดใจได้และไม่ช้า ก็จะไม่ห่วงอะไรที่กุมขังนั้นอีกต่อไปท่านที่แนะนำชักชวนทั้งหลายเช่นพระพุทธเจ้าได้เคยเริงรมในการมาสุขมาก่อนแล้วและต่อมาได้รู้จักสุขที่ประนีตขึ้นไปทั้งชาณสุขและนิพพานสุขเป็นอันว่าได้รู้จักความสุขทุกประเภทการที่มาแนะนำชักชวนนั้นก็ย่อมเป็นไปด้วยความรู้จริงโดยได้ผ่านประสบการณ์จริง เป็นเครื่องยืนยันอย่างแน่นแฟนว่าสุขใดที่ท่านว่าดีหรือไม่ดีหรือว่าอย่างไหนดีกว่าก็ควรจะเป็นเช่นนั้นจริงเมื่อเปรียบเทียบกับสุกที่ประนีตโดยเฉพาะนิพพานสุกการมาสุกมีส่วนเสียหรือข้อบกพร่องดังที่ควรกล่าวถึงนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วหรือที่ควรย้าไว้อีกดังนี้หนึ่งทให้ชีวิตขึ้นกับสิ่งภายนอกไม่อิสระ ไม่เป็นตัวของตัวเองแม้กระทั่งเป็นธาตุของวัตถุซึ่งมักหลอกให้นึกว่าเราเป็นเจ้าของบังคับมันได้แต่ยิ่งเข้ายึดถือครอบครองมันจริงจังมากเท่าใดเราก็ยิ่งหมดอำนาจในตัวกลายเป็นธาตุของมันมากขึ้นเท่านั้นความเป็นธาตุหรือขึ้นต่อกามาคุณนั้นเป็นไปทั้งสองขั้นตอนคือก่อนจะได้รับได้เสพมันก็เป็นตัวบังคับ และกำหนดทิศทางให้เราวิ่งแล่นไปทำการต่างๆเพื่อหาเอาเวทนาที่ชอบมาเสพเสวยถ้าเป็นไปอย่างรุนแรงก็คือมีชีวิตอยู่เพื่อมันเท่านั้นครั้นได้รับเอามาเสพแล้วมันก็ปรุงแต่งบังคับเราให้วุ่นไปตามมันอีกโดยให้เกิดตัณหาตามด้วยรักโกรธเกลียดโลภหลงแล้วแสดงอาการต่างๆออกมาตามอำนาจกิเลสเหล่านั้น เป็นไปตามกระบวนการที่ว่าตันหาปรุงให้หาเวทนาพอได้เวทนาแล้วเวทนาก็ทําให้เราปรุงแต่งตันหาอีกวนเวียนเรื่อยไปแล้วลงท้ายความเปลี่ยนแปลงผันผวนปรวนแปรไปของสิ่งเหล่านั้นทั้งที่มันก็เป็นไปตามธรรมดาของธรรมชาตินั่นเองก็มีอิทธิพลบีบคั้นเข้ามาถึงชีวิตจิตใจของเราทําให้โศกเศร้าคุนหมองทุกระถม่มขับแค้นไปตาม ส่วนสุขที่ประณีตชั้นไหนเป็นนิรามิตคือไม่ต้องขึ้นต่อวัตถุภายนอกจึงเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองนอกจากนั้นยังเป็นหลักประกันที่ช่วยรักษาไม่ให้ลุ่มหลงหมกมุ่นในกามสุขช่วยคุ้มครองให้เกี่ยวข้องกับกามสุขในทางที่ไม่เกิดโทษพิษภยัยและไม่เกิดความทุกข์เพราะความบีบคั้นที่เกิดจากความผันผว น, นปวนแปรของวัตถุส่วนเสียของกามสุข ที่ควรย้ําข้อที่สองในเมื่อกามาสุขต้องอาศัยกามาคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสโะพธาภะซึ่งอยู่ภายนอกคนที่อยู่ด้วยกามาสุขจึงเท่ากับเอาความสุขรวมทั้งโชคชะตาของตนทั้งหมดไปฝากไว้กับสิ่งอื่นที่อยู่ภายนอกและสิ่งภายนอกเหล่านั้นก็ขึ้นต่อเหตุปัจจัยหลากหลายที่เป็นไปตามวิธีของมันซึ่งผู้แสวงการมาสุขนั้น บ, บังคับควบคุมไม่ได้ จึงเป็นธรรมดาที่ว่าผู้ที่เอาความสุขของตนไปฝากไว้กับสิ่งอื่นซึ่งไม่แน่นอนเช่นนั้นจะต้องเต็มไปด้วยโอกาสที่จะพบกับความผิดหวังและความยุ่งยากวุ่นวายนานับประการยิ่งอยู่อย่างไม่รู้เท่าทันมากเท่าใดก็ยิ่งประสบทุกข์ได้มากเท่านั้นส่วนเสียของการมาสุขที่ควรย้ำข้อที่สามทให้ชีวิตหมุนวนอยู่แค่กระบวนการรับรู้ คืออินทรีย์หรืออาญตนาะที่ติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกอันนับได้ว่าเป็นกิจกรรมชั้นนอกของชีวิตและเป็นระดับที่ผิวเผินนอกจากนั้นการหมุนเวียนวิ่งตามมันไปนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายไม่น้อยส่วนสุขชั้นในอันประณีตช่วยให้มนุษย์เป็นอิสระจากกระบวนการรับรู้นั้นได้บ้างทําให้รู้จักที่จะเป็นอยู่ได้โดยไม่ต้องขึ้นต่ออินทรีย์เหล่านั้นสิ้นเชิง ไม่ต้องอาศัยมันเกินสมควรอย่างน้อยก็ได้พักผ่อนและหันมาพบกับส่วนที่ลึกซึ้งลงไปอยู่ชั้นในของชีวิตบ้างส่วนเสียของการมาสุขที่ควรยำ้ำข้อที่สเพราะเป็นสุขที่ขึ้นต่อวัตถุภายนอกการมาสุขจึงต้องอาศัยอารมณ์ที่จะเข้ามาป้อนให้แก่ตันหาผ่านทางอินทรีย์ต่างๆถ้าไม่มีอารมณ์ที่ต้องการป้อนเข้ามาก็จะอยู่เป็นทุกข์ ส่วนสุขพระนีดภายในไม่ต้องอาศัยอารมณ์ที่จะต้องถูกป้อนเข้ามาผู้มีความสุขประเภทนี้แม้จะขาดอารมณ์สนองอินทรีย์ก็สามารถอยู่เป็นสุขได้นอกจากนี้เพราะเหตุที่กรรมสุขต้องขึ้นต่ออารมณ์จากภายนอกนี่เองกรรมสุขจึงเป็นสุขชนิดที่อยู่กับตัวเองไม่ได้ถ้าอยู่นิ่งก็จะกระสับกระส่ายต้องรานรนไปหาสิ่งที่จะเสฟ ซึ่งว่าตามความเป็นจริงแล้วอาการร่านรนกระสับกระสายเช่นนั้นล้วนเป็นความทุกข์ทั้งสิน้นแต่คนที่ร่านรนนั้นมักจะพยายามหลอกตัวเองให้มองข้ามหรือไม่มองเสียโดยมองแต่ส่วนที่ตนประสบได้เสพสมยิ่งกว่านั้นครั้นได้เสพอารมณ์นั้นสมปรารถนาแม้จะเป็นอารมณ์ที่ชอบใจถูกใจผู้เสพก็ไม่สามารถสวยอารมณ์นั้นอยู่ได้นาน ถ้าเศษอยู่นานก็จะกลายเป็นทนเศษแล้วที่สุขก็จะกลายเป็นทุกข์สุขจากกามจึงอาศัยการเปลี่ยนอารมณ์อยู่เรื่อยๆและท่านจึงแสดงหลักไว้ว่าอิรยาบทบังทุกข์หมายเหตุเชิงอัตในคำพีวิสุทธิมัตต์ได้แสดงถึงสิ่งที่ปิดบังไตรลักษ์ไว้ดังนี้สัน ต, ติบังอนิจจลักษณะ อิริยาบถบางทุกขลักษณะคณะบางอนัตตลักษณะส่วนผู้รู้จักสุขลึกซึ้งด้านในแล้วย่อมไม่ถูกทรมานด้วยความร่านรนกระสับกระสายสามารถเสบยสุขอยู่ในอาการอย่างใดอย่างหนึ่งได้นานๆตามใจปรารถนาเช่นกรณีของพระพุทธเจ้ากับพระเจ้าพิมพิสารเป็นต้นส่วนเสียของกรารมสุขที่ควรยำ้ำข้อที่หกามสุข เป็นสุขที่ถูกตันหาปรุงแต่งอยู่ใต้อิทธิพลของตันหาคือเนื่องด้วยความชอบใจไม่ชอบใจที่สั่งสมเป็นความเคยชินไว้ดังนั้นผลจะปรากฏว่าอาการและลักษณะที่ชอบใจและไม่ชอบใจนั้นผันแปรไม่แน่นอนของอย่างเดียวกันการแสดงออกกิริยาท่าทางรูปลักษณะเดียวกันคนหนึ่งชอบคนหนึ่งไม่ชอบคนหนึ่งเห็นเป็นสุข ได้สุขเวทนาอีกคนหนึ่งเห็นเป็นทุกข์เกิดทุกขเวทนาหมายเหตุเชิงอัดเคยมีการถกเถียงกันว่าในกามากุลห้าอย่างอย่างหลายดีเลิศเป็นเยี่ยมพระพุทธเจ้าตรัสว่าอยู่ที่ชอบหรือถูกใจแม้แต่บุคคลเดียวกันคราวหนึ่งเห็นหรือได้ยินแล้วพอใจอีกคราวหนึ่งเห็นหรือได้ยินแล้วขัดใจ หรือในกรณีที่ต่างบุคคลรับรู้อารมณ์เดียวกันแล้วต่างก็ชอบใจก็อาจกลายเป็นเหตุให้ต่างบุคคลนั่นเองกลับขัดใจซึ่งกันและกันเพราะต่างก็ปรารถนาสิ่งเดียวกันภาวะเช่นนี้นำไปสู่ปัญหาต่างๆเช่นความขัดแย้งภายในจิตใจบุคคลความกระทบกระทั่งระหว่างบุคคลเป็นต้นเป็นต้นต่อของความยุ่งยากเดือดร้อนวุ่นวายเป็นอันมาก ซึ่งทุกคนพอจะคาดคิดเห็นได้โด ย, น, ยนัยนี้การมาสุขหรืออามิสสุขนี้จึงตรงข้ามกับความสุขด้านในไร้อามิทซึ่งเกิดแก่ใครเมื่อใดก็มีแต่เป็นคุณให้ความสบายเป็นที่พอใจแก่ผู้นั้นทันทีและเกื้อกูลแก่ผู้อื่นทุกคนที่เกี่ยวข้องยิ่งเป็นสุขกันได้มากคนออกไปก็ยิ่งดีมีแต่ส่งเสริมกันให้เป็นสุขยิ่งขึ้น เพราะไม่มีอะไรที่จะต้องแข่งแย่งช่วงจริงกันต่างก็สุขเหมือนกันจึงมีแต่จะนำไปสู่การระงับปัญหาและความสงบสุขส่วนเสียของการมาสุขที่ควรย้ำข้อที่หกโดยเหตุที่กามาสุขเกิดจากการสนองระงับตันหาถ้าตันหาเกิดขึ้นแล้วไม่ได้รับการสนองตันหานั้นไม่ระงับไปปมปัญหาก็เกิดขึ้นทันทีปมปัญหา หรือภาวะติดขัดบีบขั้นนั้นท่านเรียกว่าทุกข์พอทุกข์เกิดขึ้นผลเสียก็ตามมาผลเสียนี้ถ้าไม่ขังอยู่ภายในก็ต้องหาทางระบายออกข้างนอกหรือไม่ก็ทั้งสองอย่างผลเสียที่ขังอยู่ข้างในได้แก่อาการศัดกลุ้มกระวนกระวายขับแขนเศร้าหมองและทุกข์ใจต่างตาง่รวมเรียกว่าความหลงไหลฟัน่นเฟือน ผลเสียที่หาทางออกข้างนอกอาจาระบายทางเบาเช่นเที่ยวขอคาแนะนำความช่วยเหลือในรูปต่างๆอาจเป็นความช่วยเหลือแนะนำทางปัญญาและคุณธรรมหรืออาจไปสแสวงหาความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนาจลึกลับดนบันดาลต่างๆบ้างก็พยายามกลบเกลื่อนทุกข์ด้วยการมาสุขชนิดที่หยาบและร้อนแรงยิ่งยิ่งขึ้นไปหรืออาจาระบายออกทางรุนแรงต่อผู้อื่นเช่น ก่อเหตุขัดแย้งลุกรานผู้อื่นหรือทำการในทางทำลายไปรอบตัวเท่าที่ตนจะเกี่ยวข้องไปถึงเกิดพฤติกรรมที่เป็นภัยมากมายหรือไม่ก็หันกลับเข้ามาเกลียดชังตัวเองทำการเข้มงวดบีบ ร, รัดต่างๆแม้กระทั่งทำลายตัวเองในเรื่องนี้มีพุทธพจน์ที่พึงสังเกตแห่งหนึ่งว่าภิกษุทั้งหลายเหตุก่อกาเนิดแห่งทุกข์เป็นไฉ่ ตัณหาเป็นเหตุก่อกำเนิดแห่งทุกข์วิบากแห่งทุกข์เป็นไนเรากล่าวว่าทุกข์มีความหลงฟั่นเฟือนเป็นวิบากหรือมีการหาทางปลดปื้มภายนอกเป็นวิบากการหาความสุขแบบสนองตัณหานี้ก่อปัญหาได้ทุกขั้นตอนไม่เฉพาะในขั้นถูกขัดให้ไม่ได้รับการสนองเท่านั้น แม้ในขั้นสแสวงหาสิ่งเสพต่างๆมาสนองตันหาก็ดีในขั้นที่หามาได้และเสพสนองตันหาแล้วก็ดีปัญหาก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นกล่าวคือในขั้นสแสวงหาก็อาจใช้วิธีการเบียดเบียนเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเมื่อได้มาเสพสนองแล้วก็อาจหลงไหลมัวเมาทยานอยากมากและรุนแรงยิ่งยิ่งขึ้น ทำให้เกิดปัญหาในแง่อื่นๆต่อไปอีกเมื่อเป็นเช่นนี้ปุถุชนชั้นดีจึงต้องใช้สติปัญญานำเอากุณธรรมเข้ามาควบคุมพฤติกรรมของตนบรรเทาพิษภัยของตัณหาลงบ้างแต่วิธีคุมที่ช่วยให้ปลอดภัยได้มากคือการให้คนผู้เสพการมาสุขเหล่านี้มีความสุขฝ่ายนิรามิตเป็นทางออกอยู่บ้างทางออกหรือนิสธรระนี้ จะช่วยผ่อนพฤติกรรมที่สืบเนื่องจากตันหาให้ประนีตหรืออยู่ในขอบเขต ท, ที่ดีงามได้อย่างมากเพราะสุขฝ่ายที่ไม่ขึ้นต่ออามิต h นี้อยู่ด้านตรงข้ามกับตันหาปรากฏตัวขึ้นในเวลาสางตันหามีอยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัยตันหาใครเข้ามาอยู่กับความสุขชนิดนี้ก็ย่อมพ้นจากพิษภัยที่เกิดจากตันหาของตนไปได้ทันทีเพราะการมาสุข มีส่วนเสียอาจก่อโทษได้มากอย่างนี้และมนุษย์ทั้งหลายก็ชอบหรือฝักใฝ่การมาสุขกันอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปกระตุ้นเขาอีกดังนั้นท่านจึงไม่สนับสนุนให้มุ่งหาการมาสุขไม่ให้เอากามาสุขเป็นจุดหมายของชีวิตการทำบุญหรือทำความดีในทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นทานศีลหรือภาวนาก็ตามว่าตามหลักแท้แล้ว ท่านไม่สอนให้มุ่งหาผลตอบแทนเป็นการมาสุขเช่นโชคลาภยศเกียรติอำนาจบริวารการไปเกิดในสวรรค์เป็นต้นแต่ท่านสนับสนุนให้ทำเพื่อพัฒนาชีวิตก้าวสูงขึ้นไปในความสุขที่แท้ จ, จริงยั่งยืนที่ทำให้ลดกิเลสห่างไกลความชั่วร้ายทำลายความสั่งสมก่อตัวของตัณหาเชือ้อทุกข์ทให้ผู้ทาความดีนั้น ประสบสุขประนีตที่ลึกซึ้งภายในซึ่งจะนำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้ทั้งแก่ตนและผู้อื่นเกื้อกูลทั้งแก่ชีวิตของตนและแก่สังคมโดยมีนิพพานสุขเป็นจุดหมายสุดท้ายดังความในบาลีแห่งหนึ่งว่าบัณฑิตย่อมไม่ให้ทานเพราะเห็นแก่ความสุขกลัวกิเลสเพื่อจะมีพบต่อไปอีกแต่บัณฑิตย่อมให้ทานเพื่อหมดสิ้นกิเลส เพื่อไม่มีพบต่อไปอีกโดยแท้บัณฑิตย่อมไม่บำเพ็ญฌานเพราะเห็นแก่ความสุขกลัวกิเลสเพื่อจะมีพบต่อไปอีกแต่บัณฑิตย่อมบำเพ็ญฌานเพื่อความหมดสิ้นกิเลสเพื่อไม่มีพบต่อไปอีกโดยแท้บัณฑิตมุ่งภาวะเย็นใจคือนิพพานมีจิตน้มไปทางนั้นน้อมใจไปในภาวะนั้นจึงให้ฐานบัณฑิตเหล่านั้น ย่อมมีนิพพานเป็นที่หมายเสมือนทานนาทีไหลเรื่อยสู่กลางสาคร